ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้จะนำเสนอประวัติปรากษสาวกก็คือระษาดิบุตรกับพระโมคคัลลานะก็เป็นการเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัย แต่บอกว่าในอดีตการในที่สุดหนึ่งอสองไขยกับอีกแสนกับแต่พัฒรกับนี้ท่านประสารนบุตรได้เกิดในสกุลพระมาศาลชื่อว่าสระธมาพท่านพระพระมหามโมคคานะได้เกิดในสกุลเคลรือบดีมหาสารได้มีชื่อว่าสิริวัตนากุตุมพีท่านทั้งสองนั้นได้เป็นเพื่อนเล่นฝุน่นด้วยกันมา บรรดาเพื่อนทั้งสองคนนั้นสระธมานุปได้ครอบครองสมบัติซึ่งเป็นของสกุลโดยการร่วงไปแห่งบิดาบารดาของตนวันหนึ่งท่านเริ่มคิดเราเห็นว่าคิดเมื่อในที่สุดแห่งหนึ่งอสงไขยกระแสนับก็แสดงว่าเป็นยุคใกล้เคียงกับศาสนาของพระพุทธเจา้าทรงพระนามว่าปตุมุตตระ แต่คงจะก่อนสมัยพระพุทธเจ้าทรงมานามว่าปตุมุตตระถ้านก็มาคิดว่าขึ้นชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมมีความตายเป็นที่สุดโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นเราควรออกบวชตามลัชชิดใดลัชชิหนึ่งแล้วเที่ยวสแสวงหาโมคธรรมดีกว่า ดังนี้แล้วได้ข้าไปหาเพื่อนพูดว่าเพื่อนรักฉันอยากจะบวชนายจะสามารถบวชได้ไหมเหล่าเพื่อนตอบว่าฉันไม่สามารถจะบวชได้หรอกจึงพูดต่อไปว่าช่างเถอดเพื่อนฉันจะบวชคนเดียวแล้วก็สั่งให้คนใช้ปิดเปิดประตูเรือนคลังรัตนาออกให้หมาทานแก่คนคำพระแล้วคนเดินทางเป็นต้น แล้วก็ไปยังเชิงเขาวบวชเป็นฤาษีลูกพราหมณ์ประมาณ7 4็ด0ืสี่พันคนเราบวชตามสราระธารมา น, นั้นจนถึงปฏิบัติบำเพ็ญเพียรได้อภิญญาห้าสมาบัติปดแล้วก็ได้บอกบริกรรมกระสินให้แก่ชนินเหล่านั้น เจดินเหล่านั้นทุกคนก็ได้พิญญาห้าสมาบัตแปดเช่นเดียวกันแต่นี่มีประเด็นที่น่าศึกษาอยู่สองสามประเด็นประเด็นแรกก็คือความพร้อมที่มีอยู่ภายในใจของคนเราเราจะเห็นว่าพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะในตอนที่เป็นอุปติสสะและโกดิษะนั้น มีความคิดปรับเข้าหากันได้ตลอดเส้นทางจนได้ออกมาบวชในพระพุทธศาสนาแต่พอมาถึงช่วงนี้บารมีก็คงจะใกล้เคียงกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าสหายของท่านคือสิริวัฒนานั้นบารมียังไม่แก่กราพอยังไม่สามารถที่จะมอง ทรัพสมบัติเป็นเรื่องที่ร้ายสาลาได้การมองของสารทาพมานบมันก็แบบเดียวกับสมัยที่พระพุทธเจ้าสเสวยพระชาติเป็นสุมเมรมนบโครงสร้างทางครอบครัวเหมือนกัน คือได้รับมรดกมาจากสกุลจำนวนมห า, าศาลแล้วก็ตัวคนเดียวแต่ว่ามาคิดถึงชีวิตกับทรัพย์สมบัติเราจะเห็นว่าชีวิตนั้นเป็นองค์ประกอบร่วมคนดินน้ำลงไฟอากาศและวิญญาณพอวิญญาณออกจากร่างก็ต้องตายไป ดินน้ำลมไฟอากาศเหล่านั้นก็เลื่อนไหลเข้าหาพวกของตัวเองดินไปสู่ดินน้ำไปสู่น้ำลมไปสู่ลมไฟไปสู่ไฟอากาศไปสู่อากาศก็แสดงว่าไร an ้สาระแกนสารแต่วัสมบัติทั้งหลายนั้นมันเป็นวัตถุที่บางอย่างก็คงทนยั่งยืนกว่าชีวิตของมนุษย์ เจ้าของผู้ครอบครองได้ตายไปแล้วแต่ว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ต้องทิ้งอยู่ในโลกก็มีคนรับต่อไปครอบครองไปใช้สอยไปแม้แต่จะจ่า ย, า, ย า, ย า, ยายไปจะเพื่ อ, อนผ่านมือคนสักกี่คนก็ตามในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ก็มองเห็นว่าสาระแกนสารจากการเกิดและดำรงชีวิตแนมะ้จะเป็นเศรษฐีก็เถอะแต่ก็ไม่มีสาระประโยชน์อะไรที่ควรแกาการภาคภูมิใจผลจึงได้คิดออกบวชแต่ว่าเป็นยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าแต่ก็แสดงให้เห็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ว่า ในอดีตการนานไกลจะเมื่อไร่เราก็ไม่รู้แหละอันนี้ก็หนึ่งแสนน่สมขายกลับมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่สละครอบครัวออกบวชเป็นนักบวชประเภทต่างๆต่างคนต่างประแสวงหาคนา้นคว้าที่จะหาทางรอดให้แก่ชีวิตของตัวเองส่วนใหญ่มันก็ไม่พบหลอก แต่ว่าอย่าลืมว่ามันให้ผลเป็นความสงบอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็ภูมิจิตจะสูงขึ้นพบที่จิตจะไปอุบัติก็จะสูงขึ้นในกรณีของท่านสารทะมีประเด็นที่น่าสังเกตว่ามันมีพรามานพถึงเจ็ดหมื่นสี่พันคนออกบวชตามท่าน หมายความามีเห็นมีคนได้เห็นคล้อยตามเยอะมากและการที่คนเจ็ด0มื่นสี่พันคนออกบวชแล้วไปอยู่ในป่าใช้ชีวิตด้วยการบริโภคผลไม้ดอกไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มากหมายความว่าถ้ายังเห็นแก่ตัวยังเห็นแก่ความอดเด็ดรอร่อยของลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัส มันก็ไปไม่ได้พออยู่ในป่าเรานึกดูว่าคนขนาดนั้นเข้าไปในป่าคราวหนึ่งแล้วไปเก็บผลไม้มากินผลไม้มันหายไปเยอะแต่ท่านก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตตามที่ตามมีตามได้แบบมักน้อยนะฮะไม่ใช่แบบสันโดษเลยแบบมักน้อยคือมีเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นกินเท่านั้น ธิรการบำเพ็ญเพียรของท่านได้ปัญญาห้าสมมาบัตแปดก็ถือว่านอกยุคพุทธกาลคนที่ไปได้ขนาดนี้บารมีไม่ใช่ธรรมดามากเพราะว่าสมมาบัตแปดนั้นเป็นเหตุอภินญานั้นเป็นผลหมายความว่าถ้าเทียบ ประเภทตามโครงสร้างเริยสัตว์สีแล้วสมาบัติแปดก็เป็นอริยมรรคเป็นสมาวมามะสมาสติสมาสมาธิก็ที่สมบูรณ์นะเพราะสมาบัติแปดก็คือรูปฌานสี่รูปฌานสี่จิตประนีตมาก สามารถสงบนิวรทั้งห้าประการลงไปได้แต่ก็กำเริบได้นะฮะเป็นการ ส, สงบไว้พีจัยถ้าเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าขึ้นไปถึงอรูปฌานสี่แล้วเนี่ยมันจะแข็งแกร่งทนทานว่ายางไม่เคยพบนะฮะยังไม่เคยพบอาจจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้ ว่าท่านที่ได้อรูปฌานแล้วเสื่อมจากอารูปฌานแต่ว่าท่านท่านท่านที่ได้รูปฌานสีแล้วก็เสื่อมเนี่ยก็มีพบเยอะแม้แต่อิสิ ป, ปัตนาเมรุกฐายวันแปลว่าป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเป็นที่ตกไปของฤาษีมันก็เป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ว่าฤาษีที่ได้สมาบัต ได้รูปฌานสี่แล้วก็สามารถเหาะไปในอากาศด้วยอภิญญาห้าได้เนี่ยก็สามารถที่จะเสื่อมได้อภิญญาห้าคืออะไรอภิญญาห้าที่จริงถ้าเราอยู่ดูในกลุ่มแล้วก็คือกลุ่มของนิโรธแต่เป็นผลที่ยังไม่สมบูรณ์เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจาก ศีลกับสมาธิเนี่ยก็หนึ่งก็คือมโนโมยิิมีฤทธิ์ในทางใจสามารถจะปรากฏตัวในที่ใดที่หนึ่งด้วยกายที่สาเร็จด้วยจิตเป็นกายหนึ่งต่างหากจากกายเนื้อเราอาจจะเรียกว่าเป็นกายทีพก็ได้ อิทธิวิธิสามารถจะไปไหนมาไหนได้โดยฤทธิ์คือไปด้วยตัวจริงเหนือตัวตน ต, ต, ต, ต, ตเนเป็นๆเลยในเวลาที่รวดเร็วไม่ขันด้วยการเวลาที่ยาวนะฮะคือไปเร็วมาเร็วแล้วก็เจตวปริยานคือกำหนดรู้วาร จ, จิตความคิดของคน จิตของคนนี้ในขณะนี้ประกอบปริธรรมะข้อนี้ประกอบด้วยกิเลส ข, ข้อนี้มีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิหลุดพ้นจากกิเลสไม่หลุดพ้นจากกิเลสอะไ ร, ะไรต่างๆจะรู้ได้ตามที่กาหนดใจจะรู้ ทำไมการเทศนาของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าก็มีเจโตปริยานอยู่ตลอดแต่บ่าของพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอาเทศนาปาฏิหารนัยะเนื้อหาสาระก็คือรู้ว่าละของความคิดนั่นเอ่ประการต่อไปก็คือที่ประโซดหูทิศ เมื่อกำหนดจิต ท, ที่จะฟังเสียงอะไรก็ตามเสียงมนุษย์เสียงสัตว์เสียงทิพย์เสียงเทวดาก็ได้ยินตามที่ท่านต้องการแต่ต้องกําหนดจิต ท, ที่จะฟังไม่ใช่ว่าได้ยินเสียงเหล่านั้นอยู่ตลอดแล้วก็ปุเพาานิวาสสามัญบรรลึกชาติปางก่อนได้ระดับหนึ่งแต่เล่นเป็นกลับเหมือนกันนะ นับแล้วก็เป็นกลับเหมือนกันแล้วก็ทิประจักษุคืคอตาทิปข้อสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องพระอาหารหันต์โดยเฉพาะหรือข้อที่หกเนี่ยท่านจึงบอกไว้ว่าบรรลุพิญญาคแค่ห้านะไม่ถึงหกหรอกข้อที่หกเป็นอาสวะขยานท่านไม่พูดในที่นี้ ทีนี้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยแสดงว่ามีบารมีไม่เล่นเหมือนกันแล้วก็น่าสังเกตเหมือนกันนะฮะว่าท่านออกบวชพร้อมกับลูกศิษย์ตั้งเจ็ดหมื่นสี่พันในสังสารวัตรที่ผ่านกับกันมาเป็นนันมากเนี่ย ก็แสดงว่าลูกศิษย์ส่วนหนึ่งของท่านต้องได้บรรลุมรรคผลเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อ น, อนหรืออาจจะเสื่อมไปจากมรรคผลก็ไม่รู้กันคือไม่ได้บอกไว้เพราะว่าตอนที่ท่านออกบวชในสำนักสันชัยเนี่ยมีบริวารแค่หนึ่งพันานนท์หนึ่ง ตอนเข้ามาบวชในสำนักพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่หนึ่งพันนะ่นะฮะหนึ่งพันแต่ว่าที่ไปกับท่านเนี่ยห้าร้อยแต่ตอนบวชในสำนักสันชัยก็เป็นห้าร้อยเพราะว่าอีกห้าร้อยต้องนำรถกระบอกกลับบ้านแต่ตอนรปิดคาพระพุทธเจ้าก็มีแค่สองรอยห้าสิบ ถ้าเหล่านั้นก็คงจะเคยทำบุญร่วมกันมาอย่างเนี้ยเพียงแต่ว่าในคำพีไม่ได้บอกไว้ต่อมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุโมนัดทัศสีนะโอโหนานมากนานกว่าพระพุทธเจ้าสุงมารณาบ่าปรปฐุมุตระเสอีกนะได้บัลกขึ้นในโลก ทรงประกาศพระธรรมเทศนาธรรมจักรอันประเศศสริฐสรงให้เราสัตว์ข้ามพ้นจากค่วงน้ําใหญ่คือสังสารวัตรได้คือธรรมจักรเนี่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามเทศอย่างเงี้ยเหมือนกันเหมือนก็ปี้เกิดไปเลยเป็นพระโมเทศนาอย่างธรรมจักรอันประเสริฐให้เป็นไป ในหมู่ผู้ฟังในขณะนั้นแล้วก็มีการบรรลุมรรคผลกันในขณะนั้นรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยท่านไม่แสดงแต่แสดงในชื่อธรรมอย่างนี้แต่ก็คงทำนองเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็ช่วยให้สัตว์ทั้งหลายได้ข้ามพ้นสังสารวัฏ คือบรรลุมผลเป็นพระราหารันพระรญาบุคคลชั้นต่างๆแม้จะไม่หลุดพน้นจากสังสารวัตรแต่ก็พบชาติมีความประณีตขินเป็นการตกแต่งพบชาติได้มีความประณีตขินว่าหนึ่งพระพุทธ้าสงปรามีคือหมายความมัในขณะนั้นสาระทะดาบุก็ยังเป็นนักบวชอยู่ เ็ แ, แสดงว่าใกล้เคียงกันเวลานี่ใกล้เคียงกันแต่ว่าตอนนั้นยังไม่อุบัติเท่านั้นเองตัวทําไม่น่าคิดว่าบารมีระดับอัคคสาวกต้องสร้างนานกว่าพวกสาวกทั่วไปพร ต, ตอนเราอ่านประวัติของพระเขมาพระอุบลบรรณา สาษาบุตระโมคคลานะแล้วก็พระมาโกธิตะซึ่งไม่ใช่อักษาวกนะฮะแต่ว่าแล้วก็พระนางป ธ, ธากัจานาหรือพระนางเยสธราพิมพาเนี่ยาเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นมหาพิญญาสันิชํานาญในพิญญาทั้งสี่อมกมากๆใกล้เคียงพระพุทธเจ้าทีเดียว เราเห็นว่าเออบารมีนี่มันต่างกันช่วงในการสร้างบารมีนี่ต่างกันแต่ว่าที่เราพบเฉพาะที่พบนะฮะว่าชีวิตในสังสารวัตรบางช่วงของพระบวมรมนาถรีกับพระโมคขลานะเนี่ยค่อนข้างจะขรุขระมีปัญหาที่น่าสลดใจยอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน นั่นก็แสดงให้เห็นกระบวนการของกรรมทางๆ ท, ที่มีบา ร, รมีขนาดเนี้นะฮะแต่ว่ากรรมเราทำํำปนๆกันไปเป็นกุศลบ้างกุศลบ้างมากบ้างน้อยบ้างกรรมเขาก็ทำหน้าที่ของเขาตรงไปตรงมาไม่มีสองมาตรฐานหรือว่าไม่มีเข้ามาร้ายมาตรฐานกรรมมีอย่างเดียวแต่นั้นเองถ้าเราไม่ต้องการผล ที่เป็นบาปเราก็อย่าทำบาปท่านนั่นเองแต่เราตั้งคนที่ต้องการผลที่เป็นบุญก็ทำบุญแล้วผลก็จะเป็นไปยอย่างที่ท่านได้ทำเอาไว้ก็ได้ดำริว่าเราจะสงเคราะห์สรธาดาบทพระพุทธเจ้านะฮะ อ, อนมาทัศนสีเนี่ยคิดว่า จะสงเคราะห์สร า, ารธาดบทกุลสิทธิ์ก็เสด็จไปลําพังโปร่งเดียวไม่มีเพื่อนสง่งถือบาดจีบอลก็เหาะไปท่านเหล่านั้นเหาได้เหมือนกันนะฮท่านก็ได้พิญญาท่านก็เหาได้ผลการเห็นพระพุทธเจ้าเหาไปก็ไม่ตื่นเต้นแต่ว่าทําให้รู้ว่านี้เหนือกว่าท่านส่านผุ้นี้ต้องเป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็สารธาดาบทรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าอ๋อทรงอธิษฐานนะฮะทรงอธิษฐานพระไทยว่าให้สารธาดาบทนี้รู้ด้วยใจว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าด้วยก็ได้เสด็จไปประทับยืนอยู่บนอากาศลงจากอากาศแล้วก็ประทับบนพื้นสรารธาดาบทนี้เขาเป็นพราม โดย็นรูปร่างหน้าตาโดยเฉพาะ ย, ยิ่งคือสวดดูมาบริษัทลักษณะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตลอดถึงส่วนต่า ง, างๆของพระวรากายแล้วก็ตกลงใจว่าปะสมนารูปนี้เป็นสัพพันยูพุทธเจ้าแน่นอนจะทำการต้อนรับบูราอาศนะทวาย พระพุทธเจ้าก็ประทับนั่งบนอัศนะที่เขาปูลาดถวายสต่ทาก็นั่งลงในที่สีลสมควรข้างหนึ่งใกลๆ้ๆกับพระศาสดาทีนี้ต่อมาพวกลูกศิษย์เนี่ยเกลับมากลับมาก็ไม่เห็นว่าคือคือคือธรรมเนียมพราหม์เนี่ยอัศนะนี่เป็นการบ่งชี้สถานะของผู้นั่ง ปรากฏว่าสมณะรูปใหม่ที่เขาไม่รู้จักเนี่ยนั่งอาศนะเหนือกว่าอาจารย์อาจารย์เขานั่งอัศนะต่ำกว่าแล้วก็แสดงความอดน้อมนับถือพเห็นเฉ่นนั้นก็มาคิดดูอาการอาการกิริยาอาการของสระธาดาบท แล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนในพวกกระผมเที่ยวไปโดยคิดว่าใครๆที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านเนี่ยไม่มีเลยส่วนชายคนนี้เห็นจะยิ่งใหญ่กว่าท่านเป็นแน่เส่ถ้าก็กล่าวว่าพ่อทั้งหลายพวกท่าน พ, พูดถึงเรื่องอะไรกันหากท่านปราถนาจะทำภูเขาสินเนรุที่สูงถึงเท่าไรล่ะหกล้านแปดแสนยด ให้เสมอกับมเมล็ดพันธุ์ผักกาดได้อย่างไรอันนี้เป็นอุ ป, ปมาเทียบเคียงนะะเอาเขาพระสุมเมนมาเทียบกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยหมายความท่านสารทันมันเล็กนิดเดียวเนี่ยเหมือนเท่ า, มาเมล็ดพันธุ์ผักกาดแต่นั้นพระพุทธเจ้าคือเขาพระสุมเมนนะฮะมันสูงจนเทียบไม่ได้และจะให้เทียบอย่างไร ก็กล่าวเตือนลูกศิษย์กล่าวเตือนลูกศิษย์ให้ได้สนักแล้วก็ย้ำว่าผู้เธ อ, อย่าได้นำเราไปเทียบกับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเลยแต่บทเหล่านั้นพอฟังคำของอาจารย์รู้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้สูงสุดก็ได้มอบลงแทบประบาทของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอนุโมทส อนุโมนทัสสีอาจารย์ก็กล่าวกับลูกศิษย์ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาพวกเราไม่มีอะไรที่สมควรแก่พระาศาสดาเลยและพระาศาสดาก็เสด็จมาในที่นี้ในเวลาพิกขาจารย์คือเวลาเช้าชัาช่วเชียงนะฮะเอาเถอะเราจะสวายทัยธรรมตามกบมัง พวกท่านจงนำผลไม้น้อยใหญ่อันประนีที่พวกท่านนำมาแล้วเถิดครได้นำมาแล้วก็ล้างมือจนสะอาดวางผลไม้ในบาทของพระตถ า, าคต ร, รืยตนเองเมื่อพระศาสดาทรงรับผลไม้น้อยใหญ่เหล่านั้นผู้เทวกระดาก็ใส่โอชาทิพย์ลงไปตบุตรก็กราวน้ำถวายเองทีเดียว จะนำพระาศาสดาประทับนั่งทำพัฒกิจโภชนอาหารเสร็จแล้วเสนธาดาบทก็เรียกสิทธ์ทั้งหมดมาแล้วก็นั่งกล่าวสารานิยัคกถาคือกะถาเป็นเหตุที่ระลึกถึงกันเพราะว่าก็ชื่นชมมากที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าใกล้ๆกับพระพุทธเจ้านั่นเองพระาศาสดาทรงดําริว่าขอพระ อักษรสาวกทั้งสองจงมาพร้อมกับภิกษุนี่กาหนดพระไทยนะฮะอักษรสาวกของพระองค์นั่นแหละแต่กําหนดในพระไทยคือว่ามันใกล้ๆโทรจิตนะคือพระพุทธเจ้าเราก็ทําบ่อยเรียกภาษาระบสารีบุตรอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เรียกพระโมคคัลลานะประเดี๋ยก็มาแล้วกำหนดพระไทยว่าโมคคัลลานะจงมาสารีบุตรจงมาท่านเหล่านั้นก็มา มันเป็นความยิ่งใหญ่มากคือเราจะเห็นว่าเวลาน Ins, ี้วิทยาศาสตร์ก e ้าวหน้าไปเอาสมุดโทรศัพท์กริ่งไปที่สหรัฐอเมริกาบอกไ้เพื่อนมาเพื่อนก็ได้รับแหละแต่ว่ามาไม่ทันหรอกก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงจะมาได้อาจจะเป็นวันหรือหลายวันก็มาจึงเป็นจะมาได้แต่ว่าในเวทดวงของพระหานันทท่านปุ๊บปั๊บก็เรียกว่ากระโดดพระไทยปั๊บก็มาปุ๊บเลย เพื่ออะไรอ่ะเพื่อจะสร้างแรงกระตุน้นสร้างแรงกระตุ้นเตือนใจให้สัตธาเนี่ยเกิดเรื่อมใสสัตธาตในอัคสาวกรูปแรกเก อ, อ่ยงสาวกฝ่ายขวาแล้วก็ตั้งความปรารถนาที่จะได้เป็นอัคสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรุปรน า, ามอโนมทัศ ส, สีนั้นมีอัคสาวกแล้ว แตเด็กก็ต้องการจะได้ตาแหน่งนี้เพราะนั้นพระอารหันตะขีนาศบ พ, พร้อมด้วยอาคสาวกจํานวนมหาศาลเลยมาบังคมพระาศาสดาแล้วก็ยืนอยู่ในที่สมควรส่วนครั้งหนึ่งสาระทาระบุตรก็เรียกสิทธ์มาสั่งทีนี้ต้องเลี้ยงดูพระจานวนมากแล้วเมื่อก่อนองเดียวเรียกสิทธ์มาสั่ง แล้วก็ให้ต้อนรับด้วยอาสนะดอกไม้เพราะฉะนั้นพวกท่านเหล่านั้นก็ไปในทิศ ต, ต่างๆแต่ว่าพวกนี้มีอภิญญานะอภิญญ า, าก็ไปได้ก็สิทธเหล่านั้นได้นำดอกไม้ที่สมบูรณ์ด้วยสีและกลิ่นมาด้วยดิบปูพื้นอาสนะดอกไม้ประมาณหนึ่งโยต คือตัวเลขเนี่ท่านบอกมาเป็นแสนมาเป็นแสนตอนนี้ก็มีอยู่เจ็ดเจ็ดมืนกว่านะแล้วก็มาอีกเป็นแสนพอสรุปว่าเกือบสองแสนไปบริเวณพื้นที่ต่างๆกว้า ง, างขวางออกไปเป็นจำนวนมากต่างอาสนะเรียงรายสวยงามเมื่อสิบปัวาสนะแล้วท่านก็ ราบทูนพระพุทธเจ้าก็ให้เสด็จประทับนั่งบนอัศนะดอกไม้เพื่อเพื่อบุญนะฮะคือถาวายเสยนาสนะเป็นฐานก็เชื่อว่าให้ทุกอย่างคือให้ที่อยู่อาศัยทุกอย่างพระพุมีพระภาคเจ้า อนุมัตสีนะคือที่พระพุทธเจ้าตรงนี้ทุกคําหมายถึงพระโนุมัตทศีก็ประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้แล้วพระองค์ก็ทรงประทับอักษาวกทั้งสองและภิกษุที่เหลือก็พ่ากันนั่งบนอาสนะที่ถึงแล้วเกตนุนเกตนุนหมายความอักษาวกทั้งสองนนั่งระนาบ ข, ข้างพระพุทธเจ้อาอักษาวกขวายขวาก็นั่งด้านขวาพระหัต ด, ด้านพระหัตข้างขวา อักสาวขฝ่ายซ้ายก็นั่งฝ่ายซ้ายแล้วนอกนั้นก็นั่งรถล่านกันลงไปแต่อย่าลืมว่นนี้เป็นป่านะเป็นป่าแล้วคนมานั่งกันตั้งทลหนึ่งแสนเจ็ด0มื่นสี่พันทางดาวบททางทางทา ง, ทางพระอระหันเนี่ยก็แสดงว่าต้องบรรดาลด้วยดิษแหละแต่ไม่ใช้ดิษเอาพื้นที่สม่ำเสมอมาจากไหน กว้างขวางใหญ่โตขนาดนั้นก็อะไรล่ะมันอาจจะเป็นไปได้ที่ท่านใช้แนวกับสินคืออธิษฐานให้ให้อากาศเนี่ยก็กลายเป็นพื้นที่ที่รองรับอัศนะได้ก็าหมายความว่าก็อยู่เนื้อกิ่งไม้แหละ นา่งกันก็เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าก็รู้เห็นในระดับภูมิของผู้มีคุณธรรมสูงทั้งนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องมิจิตพิสดาในไรทีนี้เมื่อเมื่อนั่งกันแล้วก็พระศ า, าสดาตรัตว่าขอผลเป็นอันมากจงสำเร็จแก่ดาบทเหล่านั้นด้วย แล้วก็ทสมข้าวในรถสมาบัติข้าวในรถสมาบัตินี่เพื่อจะให้เกิดพลาณิสง์เพราะว่ามันจะไปอยู่ในชุดของสัมปทาคุณสีแต่ต่อไปดาบทเหล่านี้ก็จะนำพวกปุ๋ยไม้มาถวายเวลาพระอรหันต์ออกจากในรถสมาบัติเพราะงั้นอวัตถุสัมปทาคือผู้ติยรัทานเนี่ยต่อไปก็คือพระหันทั้งนั้น มีพระพุทธเจ้าเป็นรมก็จะด้วยสิเรื่องใหญ่มากแล้วประการที่สองก็คือว่าปัจจะยสรรมธาของที่ได้มานั้นเป็นของบริสุทธิ์หามาด้วยความพยายามของตัวเองเจตนานั้นไม่ต้องพูดถึงมันมีปิติปราโมทมาตั้งแต่เห็นแล้วแล้วก็ถวายตอนที่พระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายออกจากนิโรธสมาบัติ ก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าเสด็จมาโปรดโดยตรงๆๆเลยสารทาราบที่อยู่ในปีติเพราเรียกมีปีติเป็นภักษาไม่ไปไหนอะพระพุทธเจ้าก็ไม่เสวยอะไรพราะานก็ไม่ได้ฉันอะไรนะฮะคือคื อ, คอประทับนั่งเข้าดโรตสมาบัติแล้วก็มีปีติเป็นภักษาทั้งนั้นมีปีติเป็นอาหารทั้งนั้น mm. ก็ยืนกั้นสเสวยฉาดคือฉาดขาวที่ทำด้วยดอกไม้ อยู่เจ็ดวันพวกลูกศิษย์ก็บริโภคมูลผลาผลในป่าแล้วในเวลาเหลือก็ได้ยืนประคองอัญชลีอยู่คือไม่ได้เข้าสมาบัติที่จริงท่านเข้าได้เหมือนกันนะฮะท่านทันได้ท่านได้สมาบัติแปะแต่นี้ไปนิโรธสมาบัติ ไปนิโรธสมาบัติคือหมายความมายอดของสมาบัติก็ไปอยู่ที่นิโรธสมาบัติพอล่วงไปเจ็ดวันพระศ า, ศาสดาอกอกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็ตรัสเรียกนิสภาพระนิสภาเถระผู้เป็นอักษาวกมาสั่งว่าเธอจงทำการนมุทนาที่สมควรแก่ดอกไม้อาศนะทั้งหลายแก่ดาบ ท, ทั้งหลาย พระเทระก็ดำรงอยู่ในสาว ก, กบารมีญาณก็ทำการโมทนาสมควรแก่อาสนะดอกไม้แก่ดาบทเหล่านั้นแล้วเวลาจบพระธรรมเทศนาธนิษฐพระเทระอากาสาวกของพระพุทธเจ้านะ พระศาสดาตัดเรียกพระโนโมาเทระซึ่งเป็นอักสาวกอีกรูปหนึ่งองค์ที่สองเพื่อเธอจงแสดงธรรมแก่เหล่าแก่ดาบทเหล่านี้เหมือนกันทารานโนมเาเถระนั้นก็ได้พิจารณาพระพุทธพจน์คือประไตยปิฎกแล้วแสดงแก่ดาบทเหล่านั้นด้วยเทศนาของพระอักสาวกทั้งสองนั้นการสัจสรุธรรมไม่ได้มีแก่ใครๆเลยสักคนเดียว เพราะไรพระทัปีติมากเกินไปฟังหรือปีติตื่นเต้นเราใจเพลินไปกับธรรมะลาดับนั้นพระศ า, าสดาก็ทรงดำรงอยู่ในพุทธวิสัยแล้วก็เริ่มแสดงธรรมเทศนาในเวลาจบพระธรรมเทศนายกเว้นสรรทะดาบทอ๋อตรงนี้เองปุช ด, ดินบริวารเจ็ดมื่นสี่พันเนี่ยบรรลุมกผลเป็นประาน เดี๋ยวดีตั้งข้อสังเกตเอาไวน้นะว่าก็แปลกอะ่ะคือคนออกบวชทีเดียวตั้งเก็ดหมื่นสี่พันได้อย่างไรสแสดงว่าบา ร, รมีแก่กล้ามากกว่าอาจารย์ซะอีกแต่ภาษาที่บวชท่านก็เป็นขขาท่านอย่างเงี้ยตอนฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าครั้งแรกหลังจากท่านบรรลุโซดาแล้วเนี่ย ลูกสิ์เป็นปุถุชนนะฮะลูกสิบ ท, ที่ตามมาสองร้อยห้าสิบคนเป็นปุถุชนลูกมกผลเป็นพระหานหมดสองสหายไม่ไปถึงไหนก็ยังได้โสดาอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าท่านมองในยะของธรรมเทศนาวิจิตพิสดานมากลึกซึ้งเปิดเพลินยินดีคิดค้นไปเรื่อยๆมันก็หมายความว่า มรรคเนี่ยไม่ได้ปรับตัวไม่ได้ปรับตัวประสานกันมันมีแต่สมาทิติสัมมาสังกัปปะคื อ, อมรรคอย่างอื่นมันก็ไม่สมบูรณ์สมาทิฏิเอไม่ใช่สัมมาสังกัปปะเองก็ก็คิดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยคิดต่อไปเรื่อยๆตามกระแสพระธรรมเทศนาก็ทำให้ ไม่บรรลุมรคผลในอะไรพระศาสดาทรงเหยียดพระหัต์ออกตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมากเถิดในทันใดนั่นเองจดินเหล่านั้นก็ได้มีเพศดาบทอันตรทานหมดเลยอันนี้ก็บอกเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการถวายภาะไตรชีวรในอดีตอดีชาตินะฮะ คน บ, บ้างๆก็ถวายสบ้างก็ดีเวลานี้เรื่องไม่ค่อยมากอะไรนะถวายพระตรีวรวเป็นการสะสมบุญกุศลเอาไว้เป็นเหตุให้ได้บรรพชาอุปสมบท ด, ด้วยเอหิพิขุปสมัตาในสำนักพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตแล้วก็ผมผมอะไรแต่ไรที่กล้าวเป็นชดามันจะหายไปหมดเลย กลายเป็นพระบวชใหม่ๆแต่ว่าพอจีวรคลุมร่างเรียบร้อยเนี่ยเหมือนกับพระเถระหมายความว่าพระอาหารหนะันต์นท่านสมบูรณ์ของท่านแล้วจิตใจท่านสมบูรณ์แล้วเปลี่ยนเครื่องแบบพับเดียวก็กลายเป็นความสมบูรณ์ก็มีบริขารแปดประการแล้วก็ ท่านบอกว่าเหมือนกับมีพรรษาสกสิบอ่ะเหมือนกับพระเทราที่มีพรรษาสะกหกสิบขวัาสซรัาบทตั้งความปรารถนาไว้ว่าถึงเราก็พึงเป็นอักษาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนท่านผู้เป็นพระนิสสภาธิระรูปนี้ด้วยเถิดแต่เวลาที่พระศาสดาทรงแสดงธรรมก็ทรงใจไปโน่นนะ่ะ ไปที่อยากเป็นอัครส า, าวกะเลยก็ไม่ได้บรรลุผลนิพพานก็ได้กราบถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ตั้งปณิธานไว้อย่างนั้นประ ศ, า, ศ า, าทรงเห็นความสำเร็จของเขาว่าจะไม่มีอันตรายแต่ก็สรงพยากรล่วงไปหนึ่งสงไขยกับอีกแสนกับ แต่พัตตะกับนี้บอกว่าเธอจะได้เป็นอกากาสาวมบของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคตรมะมีชื่อว่าสาริบุตรแล้วก็จัดธรรมกถาทรงห้อมล้อมด้วยหมู่พิกสุงส่งได้เสด็จถ่อไปทางอากาศตกล ง, งอาจารย์เหลือองเดียวเฝ้าอาสมอยู่องเดียวคนอยู่มา7 4็ด0มื่นสี่พัน ปัจจุบ ก, กับพระรานี่หนึ่งแสนปั๊บเดียวหายหมดเลยก็อยู่อยู่คนเดียวนั้นเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยก็เป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของท่านเหล่านั้นหมายความว่าท่านปรารถนาผลอย่างนั้นก็คล้ายๆกับตอนที่ สุเมศดาบทตั้งความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระทิปังกรพุทธเจ้าก็ทรงพยาการว่าดาบทคนนี้ต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไอ้ชาวบ้านที่แห่แห่นกันมารับเสด็จพระพุทธเจ้าแล้เท่าไรก็ไม่รู้เต็มไม่หมดอะเทนที่จะสนใจอยู่กับพระพุทธเจ้าคือพระทีปังกรพุทธเจ้า ถ้ไปเกิดสนใจอยากเป็นสาวกของพระสมณโคดมซึ่งจะมีในอีกหนึ่งหนึ่งกับสี่แสนอสงไขยกับประมาณแสนกับคือก็หนึ่งกับสนะ แ, แต่ว่าสุเมตาบทนั้นสี่แสนอสงขไสงขยกับแสนกับไอ้นี้มันหนึ่งอสงไขยกับแสนกับมันสั้นกว่าเยอะระยะเวลาสั้นกว่าเยอะ ถ้ า, าว่าท่านตั้งสมาธิให้ดีสนใจใส่ใจฟังธรรมะในสำนักปฏิปังกรพุทธเจ้าคนเหล่านั้นก็อาจจะบรรลุมรรคผลกันแต่ก็อีกแหละเป็นเรื่องของบารมีบารมีมันยังไม่ถึงอ่ะมันไม่ถึงก็คือไม่ถึงแต่ว่าแปลกเวลานี้คำว่าบารมีนี่ถูกนำไปใช้ สำหรับผู้มีอำนาจอิทธิพลในด้านต่างๆแม้ตแต่นักเลงโตก็เรียกว่ามีบา ร, รมีเจ้าพ่อในทินต่างๆก็เรียกว่ามีบา ร, รมีเลยไม่รู้ว่าบา ร, รมีคืออะไรบา ร, รมีคือการเก็บการสะสมคุณธรรมความดีให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นภายในจิต แล้วก็สรุปแล้วก็ก็อยู่ที่ฐานศีลภาวนานั่นแหละหรือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละบารมีแม้จะสามสิบทัศนก็เถอะมันก็อยู่ในกลุ่มของฐานศีลภาวนานหรือศีลสมาธิปัญญานั่นเองพอเรามาชา้าอย่างนี้มันมันเสื่อมไปอะใกล้ๆกับภาพยนตร์ภาพยนตร์เราเรียกละครนนะ่ะที่ออกทางโทรทัศนะ์อะ แล้วก็หนังสือพิมพ์ห้าอรหาหันสิบหกอรหาหันสิบแปดอรหาหันเอามาใช้ได้ไม่กระดักกระเดืองอะไรเลยพูดกันยากไงคนบ้านเราแต่จริงก็พูดกันยากคือมันน่าจะยกเว้นบ้างว่าคำนี้มันไม่เหมาะสมกับจะใช้กับชาวบ้านทั่วไปอรหันหมายถึงผู้หมดจดจากอาสวะกิเลสเครื่องสมองทั้งหลาย คนโดลนี้มากหรยอาศวะวากิเลสเครื่องสมองทั้งหลายแล้วถือมาเรียกเขาว่าพระอรหันต์ได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าเราไม่ค่อยรับผิดชอบกันแล้วก็บางครั้งเนี่ยเช่นสมมติจ ะ, ย, ะยกตัวอย่างเป็นพระองคุริมายกตัวอย่างเป็นพระองคุริมาเนี่ยไม่ได้มันต้องยกตัวอย่างเป็นโยนองคุริมาคือคนละช่วงกัน ตนเป็นพระองค์กุลิมานท่านไปทําอะไรใครหรอกทานวนไปกี่วันท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระหานแล้วคือต้องนึกว่ามันคนละช่วงกันคนละจังหวะกันพฤติกรรมเลวร้ายทั้งหลายนั้นของโจรองค์ุลิมานแต่ไม่ใช่ของพระองค์ุลิมานเราเอามาพูดปรบกันบางทีก็เรียกว่า องคุลิมานกลับใจแรงไปถ้าโจรองคกลิมานกลับใจเนี่ยฟังได้นะเป็นพระองคกลิมานกลับใจเนี่ยมันไม่ได้เพราะท่านกลับใจก่อนที่จะบวชมันไม่ใช่กลับใจตอนที่บวชแล้วกลับใจก่อนที่จะบวชแล้วเพราะในการละเทศะเนี่ยเขาเรียกว่ารู้การละเทศะไม่รู้จักการละเทศะ ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรการใช้ค้อยคำหรือความเคารพนึกถึงวันนี้เราพูดถึงพระอาหารหันนะเราพูดถึงพระอาหารหันเราก็ต้องให้ความเคารพมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกแต่ใช้คำที่อาศัยชาวบ้านแล้วก็ เอานามของพระอรหันต์มาใช้ในทานที่ไม่เหมาะไม่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเนี่ยเจ็ดอะไรอะ่ะกกตก็กกตอกหอะรหันอั น, นั้นก็เจ็ดอรหันเก้อาอะรหันพวกอะไรหรือองค์กรพิเศษทั้งหลายอะ่ะเลยเรียกอะรหันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นคือ ถ้าเราเนี่ยไม่มีโอกาสได้ติดต่อกับพู้สื่อสารมวลชนที่จริงถ้าพ่อปะพูดคุยกันนะฮะไม่ใช่คิดจะไปปาตากถาสั่งสอนอะไรเขาหรอกพ่อปะพูดคุยกันก็ข้องใจอะไรในเรื่องศาสนาก็สักถามมามันก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสื่อสารกันได้ในทางที่ดีต้องฟังทงลาย เสียงธรรมจากหมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขออยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไพรู์ในธรรมะยมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี